50 languages. าดลำดับเลขครมัลเดือนแรกคือเดือนมกราคมโมเดลแเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ เกิดอะไิงกลูเฟบรวรีเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมมูรนอะไรทิ้งกลูมารชเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนนาลกันอะไรทิงกลูเอปริลเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมไอ้ดันอะไรทิ้งลูเม เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนอารเนียติงกาโลจูนหกเดือนคือครึ่งปีอารุติงกาโลกลัลโลยนเดเรอัรดวัชชามกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมจันนาวารีเฟเวบรารีมาร์ช เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเอพ i ริลเมยจูเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเยน็นยตันเิงูจุลเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมเย็นตันเนียติงูอตเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน วันที่17กันยายนเดือนที่10คือเดือนตุลาคมวันที่18ตุลาคมเดือนที่11คือเดือนพฤศจิกายนวันที่19ตุลาคมเดือนที่12คือเดือนธันวาคมวันทนี่20ธันวาคม สิบสองเดือนคือหนึ่งปีหันเนรดูทิ้งกัดอกาโ ล, ลยินดะเรวันทุวกักากรดาคมสิงหาคมกันยายน july august september ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมออต c t o b e r november d e c e m b e